ยญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิเ็ดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพราะการมาวัด นั่นเป็นเหมือนกับการไปร้านอาหารเวลาที่ร่างกายต้องการอาหารมีความหิวเราก็ต้องไปที่ร้านอาหารเพื่อซื้ออาหารรับประทานเรามาที่วัดก็เหมือนกับมาร้านอาหารแต่เป็นอาหารทางจิตใจใจของเราก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกับร่างกาย แต่อาหารของใจนั้นต่างกับอาหารของร่างกายอาหารของร่างกายเป็นวัตถุเป็นรูปรธรรมแต่อาหารของใจนี้เป็นนามรธรรมไม่ใช่วัตถุไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เหมือนกับอาหารของร่างกายเช่นกับข้าวกับปลาของขคาวของหวานต่างๆ เป็นสิ่งที่เราเห็นกับตาและจับต้องกับมือได้เพราะร่างกายก็เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุก็ต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เป็นวัตถุคือกับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานน้ำดื่มชนิดต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นอาหารของร่างกายเมื่อร่างกายได้รับอาหารครบถ้วนบริบูรณ ร่างกายก็จะมีความสุขมีความอิ่มหนำสำราญใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าได้รับอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะมีความสุขมีความอิ่มหนำสำราญใจเช่นเดียวกันเราจึงต้องมาวัดเพื่อที่มาเติมอาหารให้กับใจนั่นเอง อาหารกับของใจก็มีหลายชนิดเช่นเดียวกับอาหารของร่างกายอาหารของร่างกายก็ต้องมีให้ครบทุกทุกกลุ่มหรือทุกหมู่ที่เขาจำแนกไว้เช่นพวกเนื้อสัตว์พวกผักพวกแร่ธาตุพวกผลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้อาหารทางใจก็มีเป็นหลายกลุ่มเช่นเดียวกัน เช่นมีการทำบุญให้ทานมีการรักษาศีลมีการภาวนามีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมีการอนุโมทนาบุญมีการรับใช้ผู้อื่นมีการฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ก็เป็นอาหารของใจที่เราต้องมีให้ครบ เท่าที่เราจะสามารถทำได้เพราะเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าร่างกายไ ด, ได้รับอาหารครบทุกกลุ่มทุกหมู่ของอาหารร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะมีอายุยืนยาวนานใจของเราก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องมีอาหารทางใจให้ครบทุกกลุ่มเหมือนกันเพราะจะได้ไปเยียวยาดูแลรักษาใจให้มีแต่ความสุขความสบายใจความอิ่มหนำสำราญความความกล้ า, าหาญความไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต หรือในปัจจุบันก็ตามเพราะชีวิตของเรานั้นก็ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งสุขและทุกข์แต่ถ้าใจนั้นได้รับการบำรุงดูแลด้วยอาหารใจครบถ้วนแล้วก็จะไม่เป็นปัญหากับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเช่นใจของพระพุทธเจ้า และใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านมีอาหารครบท้วนทุกหมู่เหล่าไว้ดูแลรักษาใจท่านใจของท่านจึงไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรไม่วุ่นวายกับเรื่องอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดอะไรจะดับอะไรจะมาอะไรจะไปอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ใจของท่านไม่มีความเดือดร้อนแต่อย่างไรต่างกับใจของพวกเราที่ยังไม่ได้รับการดูแลด้วยอาหารของใจครบถ้วนทุกหมู่เราใจของเราจึงต้องผจนกับความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆความกังวลใจความเดือดร้อนใจ ความกลุ่ม อ, อกกลุ่มใจเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการขาดอาหารใจเพราะเราไม่ให้ความสำคัญกับการให้อาหารใจเท่าที่ควรนั่นเองละมัวแต่ไปหลงกับการหาอาหารให้กับกายและอาหารให้กับกิเลส ต, ตัณหาของเราซึ่งไม่ได้มีประโยชน์กับจิตใจเลยเรื่องของกิเลส ต, ตัณหา กับเป็นเรื่องเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจถ้าเราดูแลกิเลสตัณหามากน้อยเพียงไรกิเลสตัณหาจเจริญขึ้นมากน้อยเพียงไรมีกำลังมากน้อยขึ้นไปมากเพียงไรก็จะทำให้จิตใจของเราทุกขุนวายใจมากขึ้นไปตามลาดับเท่าตามเท่าที่ตามกำลังของกิเลสและตัณหาทั้งหลายแต่เนื่องจากเรา ขาดคนที่คอยสอนคอยบอกเราให้เรารู้ถึงพิษภัยของความโลภของความอยากต่างๆเราจึงไม่เห็นโทษของมันเราจึงบัวเสียเวลากับการไปหาอาหารมาเลี้ยงความโลภความอยากต่างๆเช่นอยากจะได้อะไรก็ไปหามาอยากจะได้อยากจะไปที่ไหนก็ไป แต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเอามาทําไมไปทําไมไปแล้วเกิดประโยชน์อะไรได้มาแล้วได้ประโยชน์อะไรของส่วนใหญ่ที่ติเลสตัณหาต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นกับร่างกายหรือจิตใจเลยร่างกายนั้นเราก็ทราบกันอยู่ว่ามีความจําเป็นอยู่ในระดับหนึ่ง เคต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคและมีเสื้อผ้าพอประมาณคำว่าพอประมาณนี้คือความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้ามากเกินไปก็กลายเป็นกิเลสกลายเป็นตันหาความโลภความอยากไปเช่นเรามีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ไว้คอยเปลี่ยน ชุดหนึ่งเราเอาไปซักชุดหนึ่งเราเอาไว้ใส่ชุดหนึ่งเราเก็บสำรองไว้เท่านี้ก็พอแล้วสำหรับความจำเป็นแต่ในสังคมเราอาจจะมีชุดนี้ไว้สำหรับไปงานศพชุดนี้ไว้สำหรับไปงานแต่งงานก็มีได้ก็ให้มันมีเท่าที่จำเป็นถ้าเรารู้จักประมาณแล้วเราจะสามารถสกัดลืบ กันไม่ให้กิเลสตัณหามาหลอกให้เราต้องไปเสียเวลาเสียเงินเสียทองกับการหาสิ่งต่างๆมาตามความต้องการของกิเลสตัณหาเพราะได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ให้เราเกิดความอิ่มพอไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่กลับจะให้มีความทุกข์มากขึ้น ก็จะมีความอยากมากขึ้นไปอีกได้ไปซื้ออะไรมาวันนี้แล้วถ้าพรุ่งนี้ได้ออกไปเดินเที่ยวตามร้านตามห้างพอเห็นของแปลกของใหม่ขึ้นมาก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาอีกแล้วทั้งๆที่ไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรเสื้อผ้าก็มีล้นตู้รองเท้าก็มีล้นตู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความจำเป็นต่อร่างกายก็มีล้นไปหมดแล้ว แต่กิเลสตัณหาก็ยังไม่พอยังให้เรายังบังคับให้เราต้องไปซื้อมาอีกนี่แหละคือปัญหาของกิเลสตัณหาโทษของมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้กันเราจึงหมดเวลากับการไปหาพิษภัยมาให้กับใจของเราแทนที่จะหาอาหารมาให้กับใจเราก็ไปหาพิษ หาภัยมาให้กับใจด้วยการไปทำตามคําสั่งของกิเลสตัณหาของความโลภของความอยากต่างๆอยากจะได้อะไรก็ไปหามาอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเที่ยวแต่เมื่อได้มาแล้วได้ไปมาแล้วผลรับเป็นอย่างไรในใจของเราก็เหมือนเดิมอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหมือนเดิมมีความหิวมีความอยากมีความทุกข์เหมือนเดิม มีความวุ่นวายใจเหมือนเดิมมีความกังวลใจเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกกำจัดไปด้วยการกระทําตามความโลภตามความอยากแต่อย่างใดแต่จะหมดไปได้ด้วยการให้อาหารกับใจถ้าให้อาหารกับใจอยู่เรื่อยๆอยู่ครบทุกชนิดแล้วรับรองได้ว่าใจจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุข เห็นคนอื่นเขามีอะไรก็ไม่ได้ไปอิจฉาหรือสยหรืออยากจะได้เหมือนเขาเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้สาระทั้งนั้นไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับจิตใจไม่ได้ให้ความอิ่มความพอไม่ได้ให้ความสุขกับจิตใจนี่แหละคือความวิเศษของอาหารใจอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงที่ทำให้ใจของเราอิ่ม ใจของเราพอใจของเราสุขใจของเราไม่หิวไม่อยากไม่อิจฉาฤศยาไม่มีความหวั่นไหวหวาดกลัวกับอะไรทั้งสิน้นเพราะใจไม่ได้ยึดติดกับอะไรต่างๆสิ่งที่ทำให้ใจของเรายึดติดก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความอยากได้เมื่อเราโลภเราอยากได้อะไร เราก็ยึดติดกับสิ่งที่เราโลภอยากได้พอได้มาแล้วเราก็หวงแล้วก็หวงแล้วก็กังวลและในที่สุดก็เสียใจเมื่อสิ่งที่เราได้มาเปลี่ยนไปหรือจากเราไปนี่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยของกิเลสตัณหาแต่สิ่งอาหารของใจนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยเลย มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทำไปมากน้อยเพียงไรจะทำให้ใจของเรามีความมั่นคงมีความกล้าหาญมีความหนักแน่นไม่หวั่นไหวกับเรื่องราวต่างๆที่จะมากระทบกับจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกเช่นเรื่องของคนนั้นของคนนี้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเรื่องของกายของเราเองก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นอะไรร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจเลยถ้าใจได้รับอาหารของใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงควรให้สําคัญต่อการให้อาหารกับใจในเวลาที่เรามีเวลาเหลือจากภารกิจที่จําเป็นเรามีความจําเป็นที่ต้องทํามาหากินหาปัจจัยสี่ เมื่อเรามีพอแล้วเราก็ควรที่จะหยุดได้อย่าไปเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทองมากจนเกินไปเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจแต่จะกลายเป็นภาระรายเป็นความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงต้องคอยหวงต้องคอยกังวล ดังนั้นให้มีพอสำหรับดูแลรักษาร่างกายก็พอแล้วแล้วเราจะได้มีเวลาเหลือมาให้อาหารกับใจเช่นมาทำบุญให้ทานมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้แล้วก็เอามาแจกใจ่ายให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่รอความช่วยเหลือจากเราไม่ว่าจะเป็นคารวาดหรือเป็นบรรพชิตนัก บ, บวช ก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันทำไปแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจมีความสบายใจนี่คือเรื่องของการให้ไม่ว่าจะให้อะไรก็ตามให้แล้วจะมีความสุขเสมอให้เงินทองเข้าของก็มีความสุขให้วิชาความรู้กับผู้อื่นโดยไม่คิดเงินทองก็มีความสุข ให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็มีความสุขให้อภัยกับผู้อื่นก็มีความสุขเวลาให้อภัยแล้วใจจะสบายใจจะไม่โกรธจะไม่แค้นไม่อาฆาตพยาบาทนี่คือสิ่งที่เราให้ได้ถ้าเราไม่มีเงินทองเข้าของเราก็ให้ความรู้กับผู้อื่นก็ได้ถ้าไม่มีความรู้เราก็ให้อภัยได้ แล้วเรามาวัดบ่อยๆมาฟังเทศฟังธรรมเรารู้เรื่องธรรมะเวลาเห็นใครเขามีความทุกข์ใจเราก็ให้ธรรมะกับเขาเพื่อช่วยดับความทุกข์ที่อยู่ในใจของเขาได้เมื่อเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความภูมิใจมีความสบายใจนี่คืออาหารชนิดหนึ่ง อัาอีกชนิดหนึ่งก็คือสิ่การไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วใจของเราจะไม่วุ่นวายจะสงบสบายแต่ถ้าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นใจของเราจะวุ่นวายจะเดือดร้อนจะกังวลจะหวาดกลัวเพราะเราไปทำอะไรที่ไม่ดีแล้วเรากลัวว่าเราจะต้องถูกเขามาเอาคืน มาล้างแค้นมาชำระหนี้แต่ถ้าเราไม่ไปก่อหนี้ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเราก็ไม่ต้องคอยกังวลกับการใช้หนี้เราจะมีความมั่นใจในตัวของเราเองไม่ว่าใครจะว่ากล่าวเราอย่างไรว่าเราไม่ดีอย่างไรมันก็เป็นเพียงลมปากเฉยๆเท่านั้นเองเพราะเรารู้อยู่แก่ใจของเราว่า เรานั้นไม่ได้ทําอะไรที่เสียหายในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมายกย่องสรรเสริญเยอนยอว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีสิ่งที่เขาบอกว่ามีมันก็ไม่มีความหมายอะไรเช่นเดียวกันมันก็เป็นเหมือนลมปากเช่นเดียวกันเพราะว่าความดีนั้นไม่ได้อยู่ที่ การยกย่องสรรเสริญของผู้อื่นแต่อยู่การกระทำของเราถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุดจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเรามีความดีอยู่ในตัวเราไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามไม่เป็นเรื่องสาคัญแต่อย่างใดเรารู้อยู่แก่ใจเราสามารถโกหกคนอื่นได้หลอกคนอื่นได้แต่เราไม่สามารถหลอกตัวเราเองได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดีเราเราจะมายกยอตัวเราเองว่าเราดีนั้นเป็นไปไม่ได้เรารู้อยู่แก่ใจของเราว่าเราดีหรือไม่ดีอย่างไรและเรามีความสุขหรือความทุกข์มากน้อยเพียงไรก็อยู่ตรงที่เราดีหรือไม่ดีนี่เองถ้าเราดีเราก็จะมีความสุขมีความสบายใจถ้าเราไม่ดีเราก็มีความไม่สบายใจมีความทุกข์ ดังนั้นเราจึงต้องรักษาศีลกันต้องไม่เบียดเบียนกันต้องมีความซื่อสัตย์สุดเจริญอย่าไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นอย่าไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือสิ่งของต่างๆของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตอย่าไปเอาสามีภรรยาของผู้อื่นอย่าไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นนี่คือความดี เราเพียงแต่ไม่ทำสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นคนดีเราได้บุญแล้วได้ความสุขใจและเป็นความสุขใจที่สูงกว่าที่หนักแน่นกว่าความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญให้ทานเสียอีกเราทำบุญให้ทานเรามีความสุขในระดับหนึ่งแต่พอเราไปเบียดเบียนผู้อื่นไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นใจของเราก็ไม่สบายแล้ว มันก็ไปกลบความสุขที่ได้จากการไปช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญให้ทานแต่ในทางตรงกันข้ามถึงแม้ถ้าเราไม่มีเงินทองพอที่จะทำบุญได้แต่ถ้าเรารักษาศีลได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ยังมีความสุขได้ดังนั้นการทำบุญการให้อาหารจึงไม่ได้อยู่ที่ ว่าจะต้องทำบุญให้ทานเสมอพระภิกษุพระสงฆ์ อ, องค์เจ้าที่มาบวชส่วนใหญ่ท่านก็ไม่มีอะไรจะให้มีแต่จะรับอย่างเดียวแต่สิ่งที่ท่านมีไว้หล่อเลี้ยงจิตใจของท่านก็คือศีลสอีข้อนี้มีศีลแล้วใจของท่านก็มีความสุขมีความภูมิใจมีความมั่นใจเพราะศีล น, นี่สูงกว่าการทำบุญให้ทาน อันนีสงนี้มีดีกว่าการทาบุญให้ทานเพราะรักษาศีลแล้วจะได้ไปสู่สุขติได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าแต่ถ้าทาบุญให้ทานแต่ไม่รักษาศีลจะไม่ได้ไปเกิดในสุขติเพราะถ้ายังรักษาศีลไม่ได้ก็ยังต้องไปเกิดในอบายถึงแม้จะทาบุญเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ตาม ก็ยังต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่รักษาศีลเช่นไปได้เงินมาด้วยวิธีที่ไม่ชอบไปคอร์รัปชันไปโกงไปสร้างความเดือดร้อนไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเอาเงินนี้มาทําบุญเงินนี้ก็จะไม่ช่วยส่งให้ไปเกิดในสวรรค์ไม่ได้ให้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าได้แต่สิ่งที่จะทําให้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าได้ก็คือ การมีศีลไปสวรรค์ได้ก็ต้องมีศีลกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีศีลถ้าทําบุญทำทานอย่างเดียว<ม>ก็ต้องไปเกิดในอบายแต่อย่างน้อยก็จะอยู่แบบสุขสบายเช่นถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็จะไปเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นนกเป็นแมวเป็นสุนัขที่น่ารักใครเห็นก็อยากจะได้เอาไปเลี้ยงเป็นลูก อย่างนี้ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพราะอานิสงส์ของทานการทำบุญให้ทานช่วยให้อยู่อย่างสุขสบายถึงแม้จะได้เกิดเป็นสุนัข ก, ก็ตามเป็นนกหรือเป็นแมวก็ตามก็ยังจะอยู่อย่างอย่างสุขอย่างสบายเช่นมีเศรษฐีมีคนมีสตังเอาไปเลี้ยงเป็นลูกเอาไปอยู่เหมือนกับเป็นลูก มีห้องแอร์ให้นอนมีอาหารอันเลิศวิเศษให้รับประทานมีแสดงว่าเป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทําบุญให้ทานแต่ไม่ได้รักษาศีลจึงต้องไปเกิดเป็นเดราฉานเป็นต้นถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นเศรษฐีเป็นลูกของเศรษฐีก็ต้องรักษาศีลควบคู่ไปกับการทําบุญให้ทานด้วย ถ้าถ้ารักษาศีลอย่างเดียวแต่ไม่ทำบุญให้ทานเลยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาไม่ร่าไม่รวยอะไรดีไม่ดีอาจจะยากจนเสียด้วยซ้าไปเพราะว่าไม่ได้ทำบุญให้ทานมารักษาศีลเพียงอย่างเดียวนี่คือผลของการให้อาหารใจ สองชนิดคือศีลและทานถ้าอยากจะให้ใจได้อาหารที่ดีกว่านี้ที่วิเศษกว่านี้คือช่วยให้ใจไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่เดือดร้อนไม่กังวลกับเรื่องราวทั้งหลายก็ต้องให้อาหารชนิดที่สาก็คือการภาวนาการทำจิตใจให้สงบที่เรียกว่านั่งสมาธิและการเจริญปัญญา ที่สอนใจให้ฉลาดให้รู้ทันถึงความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรที่เราจะสามารถครอบครองไว้เป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอ และไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงได้อะไรมาแล้วก็ได้ความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆแต่มีความทุกข์แถมมาเป็นกองเท่าภูเขามีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องทุกข์กับสมบัติเข้าของเงินทองนี่คือปัญญา ถ้าเราจเจริญอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆใจของเราจะได้คลายความยึดติดจะรู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปหรือไม่เช่นนั้นมันก็ต้องจากเราไปเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมรับกับสถานการณ์เพราะถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมรับกับความจริงแล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์ ถึงเวลาจะเอาถึงเวลาจะไปก็ให้เขาไปถึงเวลาเราต้องจากเขาไปเราก็ไปนี่คือการภาวนามีสองขั้นขั้นที่พูดอยู่นี้เรียกว่าปัญญาแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้เราต้องเข้าสู่ขั้นสมาธิก่อนต้องทำใจให้สงบนิ่งเสียก่อนเพราะถ้าใจไม่สงบนิ่งเราจะไม่มีกำลังที่จะสอนใจ เพราะใจจะถูกกิเลสตัณหาฉุดลากให้ไปสนใจกับเรื่องอื่นอยู่เสมอฉุดลากให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราอยากจะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปที่นั่นไปที่นี่จนจะไม่มีเวลาที่จะมาสอนใจเกี่ยวกับความจริงของชีวิตนี้ได้แต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบนิ่งได้แล้วใจจะไม่ ลอยไปตามอำนาจของความโลภของความอยากเราก็จะสามารถสอนใจได้เหมือนกับครูที่จะต้องสอนนักเรียนถ้านักเรียนไม่ยอมนั่งอยู่เฉยๆคอยวิ่งไปวิ่งมาเล่นไปทำสิ่งนั้นไปทำสิ่งนี้เป็นเล่นเป็นเล่นสิ่งนั้นเล่นสิ่งนี้ครูก็ไม่สามารถสอนนักเรียนได้ดังนั้นเวลานักเรียนอยู่ในห้องครูจึงต้อง สอนให้นักเรียนนั่งอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆแล้วตั้งใจฟังคำสอนของครูถึงจะสามารถรับความสอนได้เด็กบางคนถึงแม่นั่งเฉยๆแล้วใจก็ยังไม่นิ่งเวลาครูสอนอะไรก็ไม่ได้ยินเพราะมัวไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เด็กจึงมีความสามารถในการรับรู้ต่างกัน เวลาสอบจึงได้คะแนนไม่เท่ากันเด็กที่มีจิตที่ตั้งมั่นที่สงบที่คอยฟังคำสอนของครูจะรับรู้ความสอนต่างๆได้มากพอเวลาสอบก็สามารถสอบได้คะแนนดีเด็กที่ไม่ไม่มีสมาธิใจลอยไปลอยมาเวลาครูพูดก็ไม่ได้ยินพ่อมัวแต่คิดเรื่องอื่น เวลาสอบก็จะสอบได้คะแนนไม่ค่อยดีนี่เป็นอย่างนี้ชั้นใดการสอนใจก็เป็นเช่นเดียวกับการสอนเด็กใจนี้ก็จะเป็นเหมือนเด็กถ้ายังไม่มีสมาธิจะลอยไปลอยมาคิดเรื่องต่างๆเราจึงต้องสอนทําใจให้สงบด้วยอุบายแห่งสมาธิเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่น ก็ได้หรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้แต่ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับบทสวดมนต์ให้อยู่กับการบริกรรมพุทธโธหรือจะดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆก็ได้ให้รู้อยู่กับการหายหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นก็ได้แล้วไม่นานใจก็จะสงบนิ่งเมื่อนิ่งแล้ว ตอนที่ใจนิ่งตอนนั้นก็ไม่ต้องไปทําอะไรปล่อยให้นิ่งไปนานๆยิ่งนิ่งได้นานเท่าไหร่ใจจะมีน้ําหนักจะมีความหนักแน่นเวลาออกจากสมาธิแล้วจะไม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ลอยไปตามความโลภความโกรธพอจิตหายจากความสงบนิ่งแล้วเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ทีนี้เราก็ต้องเอาความคิดนี้มาสอนใจ แทนที่จะปล่อยให้คิดร่วยเปื่อยเหมือนเมื่อก่อนหรือคิดไปตามอำนาจของความโลภของความอยากก็เอามาสอนให้คิดถึงเรื่องความจริงของชีวิตเช่นสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดและไม่ได้ให้ความสุขเท่าที่ควรมีความสุขมากแต่มีความทุกข์มากกว่าเพราะเราต้องคอยห่วงคอยกังวล คอยเสียใจเวลาที่สูญเสียไปดังนั้นถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสู้ตัดมันไปดีกว่าเอาไปบริจาคดีกว่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่อยากจะได้อะไรและสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าเราตัดไปได้เราเอาบริจาเอาไปบริจาคได้เราก็จะเอาไปบริจาค เพราะเมื่อเราตัดได้เอาไปบรยจากได้แล้วใจเราจะสบายไม่ต้องกังวลอีกต่อไปไม่ต้องมาเป็นยามคอยเฝ้าสมบัติไม่ต้องมาเป็นย า, คยา ม, ม, อมายาคอยเฝ้าสามีเฝ้าภรรยาเฝ้าลูกๆต้องมาคอยห่วงคอยกังวลกับเขาอยู่ตลอดเวลานี่หละคือปัญญาถ้าเรามีสมาธิแล้วก็ควรจ ะ, จะเจริญปัญญาต่ออย่าทำแต่สมาธิอย่างเดียว เพราะสมาธินี้ไม่ทำให้เกิดปัญญาได้ด้วยสมาธิเองต้องอาศัยการคิดพิจารณาในความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆในความทุกข์ของสิ่งต่างๆและในความไม่ใช่เป็นสมบัติของสิ่งต่างๆถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะเกิดปัญญาแล้วเราจะไม่วุ่นวายไม่กังวลกับเรื่องราวต่างๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิด ไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อถึงเวลาเขาจะเกิดเราก็ไม่เดือดร้อนเมื่อยังไม่เกิดเราก็ไม่กังวลเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเกิดแต่เราพร้อมที่จะให้เขาเกิดแล้วไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งสิน้นนี่คืออาหารที่วิเศษที่สุดในบรรดาอาหารทั้งหลายก็คือการภาวนา แต่การจะภาวนาได้ก็ต้องอาสายอาหารอีกชนิดหนึ่งก็คือการฟังเทศฟังธรรมเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราจะไม่รู้เรื่องอาหารของใจว่าเป็นอย่างไรวิธีที่จะให้อาหารกับใจของเราให้อย่างไรเราจึงต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆดังนั้นการมาวัดจึงเป็นการมาให้อาหารกับใจอย่าง ดีที่สุดว่าเมื่อมาวัดเราก็จะได้ทาบุญให้ทานจะได้รักษาศีลจะได้ภาวนาและจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมรวมถึงการได้ปวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลได้รับใช้ผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นเหล่านี้และคืออาหารของใจที่มีความสำคัญยิ่งกว่าอาหารของกาย เราขาดอาหารของกายอย่างมากกายมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปแต่ถ้าเรามีอาหารให้กับใจใจของเราจะไม่วุ่นวายไปกับความเป็นความตายของร่างกายในทางตรงกันข้ามถึงแม้เราให้อาหารครบถ้วนบริบูรณ์กับร่างกายแต่เราไม่ได้อาหารกับให้อาหารกับใจร่างกายจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างไร แต่ใจของเราก็ยังวุ่นวายยังทุกข์ยังกังวลกับเรื่องต่างๆอยู่ดีดังนั้นจึงให้เราเห็นความสำคัญของอาหารของใจยิ่งกว่าอาหารของกายและสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารของกิเลสตัณหาอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต้องคิดเสมอว่ามันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัย ถ้าเราอยากจะได้อะไรที่เกินความจาเป็นแสดงว่าเรากำลังวิ่งหาเอายาพิษมาใส่ใจของเราเราต้องรีบระ ง, งับทันทีต้องหักข้ามจิตใจทันทีต้องอยู่แบบนักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่มีนักน้อยก็คือให้ให้พอกับสิ่งที่จาเป็นเท่านั้นไม่ต้องการมากไปกว่านั้นถ้าเราทำได้แล้ว รับรองได้ว่าชีวิตของเราแต่มีแต่ความสุขมีแต่ความมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่สามารถมากระทบกับจิตใจของเราได้เลยจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาให้อาหารใจให้ท่านได้ไป พ, พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา